คือจะต้องอาศัยศรัท ธ, ธาอาศัยปัญญาจะต้องย่างไฟก็คือต้องใช้ความเพียรทางกายทางวาัดทางใจจะต้องใส่เข้าไปในง่ามไม้ดัดก็คือจะต้องใส่เข้าไปในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานดังนี้แต่แม้เช่นนั้น ในทีแรกก็ยังดิ้นอยู่เหมือนอย่างปลาที่จับขึ้นมาจากน้ําโยนไปบนบกก็ยังดิ้นอยู่ในคําอุปมาถึงปลานี้มุ่งอุปมาเฉพาะให้เห็นในความดิ้นของจิตเทียบกับความดิ้นของปลาเท่านั้นจิตที่ยกขึ้นสู่กรรมาฐาน ก็เหมือนอย่างปลาที่ยกขึ้นจากน้ำวางลงบนบกบกนั่นก็เหมือนอย่างกรรมฐานปลานั่นก็เหมือนอย่างจิตก็ดินต้องการจะเทียบให้มองเห็นถึงความดิ้นเท่านั้นไม่ได้มุ่งถึงข้ออื่น เพราะว่าถ้ามุ่งถึงข้ออื่นแล้วก็จะมองเห็นว่าปลานั้นถ้าปล่อยให้ดินอยู่อย่างนั้นสักครู่หนึ่งก็จะต้องตายจิตที่ดินอยู่ในเมื่อยกขึ้นสู่กรรมฐานจะต้องตายอย่างนั้นหรือไม่ในอุปมาอุปไมยที่ตรัสนี้ไม่ได้มุ่งไปถึงในแง่นั้น เพราะว่าจิตนั่นตามความจริงก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ว่าปลานั้นเป็นไายได้จึงเม่ในมุ่งในแง่นั้นแต่มุ่งในแง่ความดิ้นเพื่อให้มองเห็นว่าดิ้นอย่างนั้นและเพื่อที่จะไม่ท้อใจ เพราะว่าเป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่ได้อบรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นยังมีอุปมาอีกอันหนึ่งที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าลูกวัวที่วิ่งสุกซนเจ้าของก็จับเอาเชือกผูกไว้กับหลัก ทีแรกลูกวัวนั้นก็วิ่งไปทาง น, น้นวิ่งไปทางนี้แต่ว่าก็ไปไกลเกินเชือกไม่ได้บางทีก็ต้องวิ่งวนหลักอยู่และในที่สุดลูกวัวนั้ น, น, นเหนื่อยก็ต้องลงนอนพักอยู่ที่โคนหลักนั่นเองก็เปรียบเหมือนอย่างจิต ที่ตั้งสติผูกจิตไว้กับอารมณ์ของกรรมฐานเจ็ดลมให้ใจเข้าออกในทีแรกจิตก็จะวิ่งไปทางน้นวิ่งไปทางนี้แต่เมื่อมีสติผูกอยู่ก็จะวิ่งไปไม่ไดไกลเพราะสติจะคอยดึงเอาไว้ และเมื่อสติไม่ขาดในที่สุดจิตนี้เองก็จะนั่งสงบอยู่เหมือนอย่างลูกวัวที่นอนสงบอยู่ที่โคนเสาจิตก็จะนิ่งสงบอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐ า, านที่ตั้งเอาไว้เป็นลมหายใจเข้าออกเหมือนอย่างว่านั่งสงบอยู่ที่ ปลายจมูกหรือที่ริมพิปากเบื้องบนหรือที่ตัวจิตเองอันเป็นภายในโลกวัวก็เหมือนกันถ้าเชือกไม่ขาดก็วิ่งไปได้ไม่ไกลเหนื่อยก็ต้องนอนพักที่โคนเสาจิตก็ต้องหยุดพักสงบอยู่ที่ อารมณ์ของกรรมฐานและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะได้ปีติได้สุขในกรรมฐานเมื่อได้ปีติได้สุขในกรรมฐานจิตก็ไม่อยากจะวิ่งไปไหนมันสบายเสียแล้วเมื่อสบายเสียแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนก็อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ ละความเพียงที่จะปฏิบัติแล้วย่อมจะได้สมาธิและได้ปัญญาอันจะนำให้ปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นประโยชน์เป็นธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสละตั้งใจทำความสงบรรสืบต่อไปบัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภากอรหันต์อสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 มีสติปัฏานตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักและในการปฏิบัตินั้นแม้จับข้อ อานาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกเป็นหลักขั้นของการปฏิบัติก็จะดำเนินขึ้นไปเองเป็นกายานุปัสสนา เป็นเวทนานุปัสนาเป็นกิจตานุปัสนาและเป็นธรรมานุปัสนาซึ่งได้แสดงมาโดยลำดับเมื่อ ถึงขั้นจิตตานุปัสสนาจิตตั้งมันเป็นสมาธิให้ใจเข้าให้ใจออกและปลอดนิวรณเพราะมีสติเปลืองจิตออกจากนิวรณ์ได้ จิตจึงเป็นสมาธิและเป็นอุเบกขาคือเข้าเพ่งอยู่กับความสงบจับอยู่กับความสงบที่ไม่หวั่นไหว หรือไม่เอียงไปข้างยินดีไม่เอียงไปข้างยินร้ายเป็นจิตที่บริสุทธ์ผ่องใสเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าเต็มขั้นของจิตตานุปัสสนา ก็ตรัสสอนให้สอนให้น้อมจิตพิจารณารรมตามดูคือพิจารณาให้เห็นอนิจจะไม่เที่ยง และตามดูให้เห็นวิราคะคือความสำรอกจิตจากความติดใจยินดีได้เพราะเห็นอนิจจคือไม่เที่ยง ตามดูคือพิจารณาให้เห็นนิโรธคือความดับดับทุกข์ดับความก่อทุกข์ตามดูคือพิจารณาให้เห็นความสลักืน คือความวางสิ่งที่ยึดถือไว้เป็นภูปล่อยวางได้จึงเป็นภูไม่มีภาระเป็นภูเบา และในข้อนี้ก็จัดเข้าในข้อธรรมานุปัสสนาตั้งสติตามดูคือพิจารณาธรรม ดังที่ได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าอนิจจานุปัสสนาตามดูให้รู้ให้เห็นอนิจจคือไม่เที่ยง วิราคานุปัสสนาตามรู้คือพิจารณาให้รู้ให้เห็นวิราคะความสำรอกจิตได้จากความติดใจยินดีนิโรธานุปัสสนาตามรู้คือพิจารณาให้รู้ให้เห็นนิโรธคือความดับปะเดนิสิก ปฏินิสสคานุปัสสนาตามดูคือพิจารณาให้รู้ให้เห็นความสละคืนคือปล่อยวางสิ่งที่ยึดถือเหมือนอย่างสละคืนไปแก่ธรรมชาติธรรมดา ทั้งสี่นี้เป็นธรรมานุปัสนาตามดูคือพิจารณาให้รู้ให้เห็นธรรมและธรรมที่พิจารณาให้รู้ให้เห็นนี้ ก็รวมเข้าในรู ป, ปรธรรมนามธรรมคือกายใจนี้เองรู ป, ปรธรรมนามธรรมนี้โดยตรงก็หมายถึงกายใจ อันเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งเป็นวิบากขันขันที่เป็นวิบากของกรรมเก่านับแต่ชนกกรรมกรรมที่ให้เกิดมา เป็นรูปเป็นนามอันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขานี้ซึ่งเป็นบิดาขันและก็หมายถึง ปฏิบัติขันคือขันที่ใช้ปฏิบัติว่าถึงการปฏิบัติธรรมะก็การปฏิบัติอบรมสติอบรมปัญญา หรือปฏิบัติสมถะกรรมฐานมีปัจสนากรรมฐานดังที่ปฏิบัติกันโยซึ่งก็เป็นตัวสติตัวปัญญาที่ปฏิบัติให้มีขึ้นแม่สติปัญญาที่เป็นธรรมปฏิบัตินี้ ก็เป็นปฏิบัติทขันกองปฏิบัติก่นรวมเข้าเป็นรูปเป็นนามในฝ่ายปฏิบัติฉะนั้นแม้สติปัญญาก็เป็นรูป ก็เป็นรูปเป็นนามตัวรูปนามที่เป็นวิบากขันเองก็เป็นรูปเป็นนามเพราะฉะนั้นก็จับพิจารณารูปประธรรมานมามธรรม เอารูปประธรรมนา ม, มาทำที่เปตัววิบากขันก่อนตติปัญญานั้นก็รวมอยู่ในรูปประธรรมนา ม, มาทำรรนั่นแหละแต่ว่าจับเอาตัววิบากขันขึ้นก่อนรูปประธรรมนา ม, มาทำรรนี้ เป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงอันหมายความว่าไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนต้องเกิดดับ ดังที่ได้ตรัสแสดงสังคะลักษณะคือลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเป็นสังขารดังกล่าวนั้นว่ามีความเกิดขึ้นปรากฏมีความเสื่อม ไปปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏกล่าวสั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับระหว่างเกิดดับก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีหยุดลักษณะดังกล่าวมานี้ เรียกว่าอานิจจคือไม่เที่ยงและแม้ว่าจะยกขึ้นมากล่าวเพียงข้อเดียวว่าไม่เที่ยงก็ย่อมรวมทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกข์อนัตตลักษณะ ลักษณะที่เป็นอนัตตาอยู่ด้วยเพราะว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงดังกล่าวนั้นจึงไม่ตั้งอยู่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ ต้องเกิดดับอยู่จึงเป็นอันว่าต้องถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาลักษณะที่ไม่ตั้งอยู่คงที่และต้องถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ดังนี้เรียกว่าทุก จึงบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ลักษณะที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ดังนี้เป็นอนัตตามีใช่อัตตาตัวตนเพราะหากว่าจะเป็นอัตตาตัวตนจริงแล้วไซก็จะต้องบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ มือบังคับไม่ได้ก็ไม่เป็นอัตราตัวตนและมารวมเข้าแล้วก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งความปรุงแต่งปรากฏขึ้นที่แรกก็เป็นเกิดความปรุงแต่งนั้นต้องแตกสลายในที่สุดก็เป็นดับ ระหว่างเกิดดับก็แปลเปลี่ยนไปโดยลำดับไม่มีที่จะตั้งอยู่คงที่เช่นเดียวกับเวลาไม่มีตั้งอยู่คงที่ต้องแปลเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะ ที่บุคคลแบ่งกันใช้พูดกันสั้นที่สุดก็เป็นวินาทีแต่อันที่จริงนั้นวินาทีก็จะแบ่งให้ละเอียดลงไปได้อีกก็เป็นอันว่าเวลานั้นต้องเปลี่ยนไปอยู่ขณะแม้ละเอียดที่สุดไม่มีที่จะหยุดนิ่ง สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งก็ต้องเปลี่ยนไปตามเวลาดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นยังได้มีพระพุทธภาสิทจิตรัสเอาไว้อันแปลความว่าการเวลาย่อมกินสันประสั์กับทั้งตัวเอง ดังนี้เพราะฉะนั้นรูปประธรรมนามทาทมอันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าตัวเราของเราหรือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจคือไม่เที่ยงดังกล่าวนั้น พิจารณาให้รู้ให้เห็นความไม่เที่ยงอันเรียกว่าอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงเมื่ออนิจจตาปรากฏขึ้นแก่ความรู้ความเห็น ก็เป็นอนิจจานุปัสสนาและเป็นอนิจจาวิปัสสนาอนิจจานุปัสสนานั้น นับตั้งแต่สติที่ปฏิบัติจับกำหนดนามารูปที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน อันกล่าวด้วยว่าเป็นปัจจุบันธรรมและเมื่อคอยตามดูให้รู้ให้เห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงของนามรูป ก็ย่อมจะเห็นย่อมจะรู้แจ่มแจ้งไปโดยลำดับม่งเอาลักษณะที่เห็นแจ้งรู้จริงเรียกว่าวิปัสนา เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากอนุปัสนาคือที่แรกต้องตามดูก่อนเพราะว่าอันรูปประธรรมนามธรรมานั้นแสดงความไม่เที่ยงของอยู่ทุกขณะ ใครจะรู้หรือใครจะไม่รู้ก็ตามรูปธรรมนามธรรมก็ต้องเป็นอย่างนี้แสดงความไม่เที่ยงของตัวเองแต่ว่าผู้ต้องการที่จะรู้จะเห็นก็ต้องคอยตามดูตามดูรูปธรรมนามธรรม ท, ที่เป็นไปอยู่ของตัวเอง ข้อสำคัญนั่นก็คือรูปธรรมนามธรรมา ท, ที่เป็นปัจจุบนันธรรมและเมื่อตามดูอยู่ดังนี้ก็จะรู้ใจเห็นแจ่มแจ้งขึ้นได้โดยลำดับ เห็นแจ้งรู้จริงที่ได้ขึ้นโดยลำดับนี้เป็นมีปัสนาก็เป็นอันว่าเป็นมีปัสนาในอนิจจะรักษณะหรือในอนิจจธรรมธรรมะที่เป็นอนิจจคือไม่เที่ยง และแม้ว่าในการปฏิบัติทีแรกจะจับพิจารณาในคือถึงรู ป, ปรธรรมนามธรรมา ท, ที่เป็นวิบากขันธ์ของตัวเองพิจารณา ตามดูรูปธรรมนามธรรมตั้งไปถือกำเนิดเกิดขึ้นมาโดยลำดับที่แปรปรวนเปลี่ยน